วันนี้เป็นวันที่สิบเก้าวันจันทร์ที่สิบก้าพฤษภาคมพุทธศักราชสอง8เป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมา เพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มีเวลามาทำความเพียรกันมาเจริญสัมมาวายามโมคือความเพียรชอบมาเจริญวิริยบารมีคือความขยันหมั่นเพียรพอะการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความเพียร น, นี้ก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งเพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นในใจเราสองเพียร น, นักษาบุญกุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้โหดหายไป 3. เพียรละบาปอากุศลที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปสเพียรป้องกันไม่ให้บาปอากุศลที่ได้ละแล้วหวนกลับเกินมาอีกนี่คือการทำความเพียรเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องเพียรสร้างบุญกุศลถ้ายังไม่มีบุญไม่มีกุศลในใจบุญคืออะไรบุญก็คือการกระทำความดีต่างๆเช่นการให้ทานการแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเรียกว่าทานแล้วก็บุญที่เกิดขึ้นจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่ด่วงรับไปแล้วเพราะผู้ร่วงรับนี้ไม่สามารถรับเข้าของเงินทองได้เพราะผู้ร่วงรับนี้อยู่ในโลกทิพย์เป็นดวงวิญญาณสิ่งเดียวที่ดวงวิญญาณจะรับได้ก็คือบุญกุศลที่เราได้ทำจากการทำบุญทาทานเราก็สามารถอุทิศ บุญที่เกิดจากการทําทานนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วได้เรียกว่า บ, บุญอุทิศ<ม>เป็นการสร้างบุญสร้างบุญศนเพื่อคนที่จากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ<ม>เวลามีใครก็ทําบุญเราก็ชื่นชมยินดีสนับสนุน หรือร่วมบุญไปกับเขาด้วยก็ได้ไม่ขัดขวางการทำบุญของผู้มีแต่จะสนับสนุนให้การทำบุญของผู้นี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้เวลาใครเขาต้องการความช่วยเหลือพอเรามีความสามารถที่พอจะช่วยเหลือกันได้ ก็ช่วยเหลือกันไปโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนแต่อย่างใด mm hmm. แล้วก็บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้ําถ่อมตนมีสัมมาคารวะ mm hmm. นี่คือบุญชนิดต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทำกันนอกจากนั้นก็ยังมีบุญอีกอย่างก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรม เช่นวันพระก็กำหนดให้เป็นวันธรรมัสสวนณะวันฟังธรรมให้สาธุชนได้มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เกิดอนิสงส์หลายประการด้วยกันคือจะทำให้ได้ได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอง ทำที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสจะทำให้กำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่จะทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานมีความสุขหจะทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเช่นเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงทำบุญแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วก็ต้องไปนรกถ้าปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เหล่านี้คือบุญที่พู้เจ้าทรงสอน ให้ศรัทธาญาติโยมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์มันทำอยู่บ่อยๆมันทำอยู่เรื่อยๆแล้วแต่โอกาสไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำบุญทุกชนิดตอนนี้พร้อมกันทีเดียวเลยช่วงไหนมีโอกาสทำทานก็ทำทานไปทาทานแล้วก็อุทิศบุญอุสลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว ช่วงไหนมีเพื่อนมีคนรู้จักเขาทำบุญเราร่วมมนุโมทนาบุญได้ก็ร่วมไปกับเขาช่วยเหลือเขาหรือสนับสนุนเขาแล้วแต่โอกาสแล้วแต่กรณีไม่ได้หมายความว่าจะต้องทุกวันจะต้องทำบุญเหล่านี้พร้อมกันหมดเลยทีเดียวทำตามโอกาสโอกาสไหนเหมาะกับการทำทานก็ทำทานโอกาสไหนเหมาะกับการ อนุโมทนาบุญก็อนุโมทนาบุญโอกาสไหนที่เหมาะกับการกับการรับใช้ช่วยเหลือพูนก็ ร, รับใช้ช่วยเหลือพูนไปแล้วแต่โอกาสไย่ว่าเป็นการทำความเพีรยรมันสร้างบุญให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆกุศลก็คือความฉลาดความฉลาดนี้ก็เกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมเอง เวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนต่างๆเรียนรู้สัธจธรรมความจริงของของชีวิตของเราว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและการที่จะทำให้ความทุกข์ของเราหายไปนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเรียกว่ากุศลคำว่ากุศลแปลว่าความฉลาดบุญคือความสุขใจอิ่มใจ เราต้องทำทั้งสองอย่างทำใจเราให้สุขให้อื่นแล้วก็ทำใจให้เราฉลาดเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความไม่ฉลาดของเราเอง mm hmm. เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่รู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของพวกเรา พอได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่ากิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็จะต้องเพียรพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อไปําเนรไปปฏิบัติจิตตภาวนา เพื่อทำให้ปัญญาที่ได้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่ายควร น, นี้ให้กลายเป็นปัญญา <c oughs> ที่เรียกว่าภาวนามาย์ปัญญา <c oughs> คือการจะดับความทุกข์ได้ต้องใช้ปัญญาในระดับภาวนามาย์ปัญญา <c oughs> คือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าจิตยังไม่มีสมาธิ ปัญญานี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์หยุดกิเลสได้ถึงแม้จะรู้ว่ากิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแต่ใจจะไม่มีกำลังหยุดความอยากต่างๆได้เช่นอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นคนเราทุกคนเกิดมานี่กลัว ค, ความเจ็บไข้ได้ป่วยกันกลัว ค, ความตายกัน ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายเพราะไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรสาเหตุก็คือพระเจ้าทรงตัดสรุว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บนั่นเองอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้นั่งกายมีแต่สุขภาพแข็งแรงมีแต่สุขเวทนามีแต่ความรู้สึกที่เป็นสุข ไม่ต้องการความรู้สึกที่เป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะธรรมชาติของร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาติที่มีการเจริญมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วตอนต้นก็จเจริญเติบโตเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเข้าสู่ความความเสื่อมเริ่มร่างกายก็เริ่มเสื่อมเริ่มถดถอย กำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงไปอวัยวะต่างๆที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็เริ่มมีการบกพร่องมีการเจ็บไายได้ป่วยปกิดขึ้นมาถ้าไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไายได้ป่วยความไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไายได้ป่วยนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ถึงแม้จะได้เรียนรู้ว่าถ้าอยากจะให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วย ก็ต้องไม่ไปอยากให้มันไม่เจ็บใข้ได้ปวด่วยต้องพร้อมที่จะรับกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นมาในวันใดวันห น, นึ่งไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิใจจะไม่สามารถหยุดความไม่อยากให้ความเจ็บไายได้ปวด่วยเกิดขึ้นมาได้ใจก็ยังจะไม่สามารถหยุดความทุกข์ของใจได้ แต่ถ้าได้ฝึกสติได้นั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นอุเบกขาเมื่ใจมีอุเบกขาแล้วใจมีกาลังที่จะหยุดความอยากได้พอพิจารณาด้วยปัญญาเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ปวดว่าทำไมใจเราต้องไปเจ็บกับร่างกายด้วยทั้งที่ใจก็ไม่ใช่เป็นร่างกายแต่ใจนี้ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากจะสัมผัสกับทุกขเวทนา ใจชอบแต่สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่อยากไม่ต้องการแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธทุกขเวทนาได้เวลาทุกขเวทนาเกิดก็เกิดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปให้ความเจ็บหายไปแต่ก็ไม่สามารถทําให้ความเจ็บหายไปได้เพราะว่าร่างกายมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นอยู่ภายใต้คําสั่งของใจใจไม่สามารถสั่งให้ ร่างกายหยุดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นได้ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้ใจก็เลยเกิดความทุกข์ทุกครั้งที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแต่ถ้ารู้แล้วว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขา ใจก็จะมีกำลังหยุดความอยากนี้ได้ก็ อ, อยู่เฉยๆปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็ดีไม่หายก็อยู่กับมันไปหรือถ้ามันจะตายก็ต้องยอมรับมันไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนาัตตามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเป็นตัวเป็นของดินดินฟ้าดินน้ำลมไฟร่างกายทำมาจากดินน้ำลมไฟ ที่มีปฏิกริยาต่อกันที่ ม, มีมีปฏิสัมพันธ์ที่มาทำให้เกิดอาการสาสิบสองของร่างกายขึ้นมาแล้ววันหนึ่งดินน้ำลมไฟก็จะมีการแยกตัวออกจากกันอันนั้นร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มำชำรุดทุดโทรมเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไป ไม่มีขยับยั่งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่ถ้ามีปัญญาและมีสมาธิจะสามารถยับยั่งความทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายได้คือใจจะไม่ทุกข์กับความแก่จะทุกข์ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายถ้ามีสมาธิและมีปรรัญญา ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเช่นตอนนี้เรามีปัญญาอย่างเดียวเราได้เรียนรู้แล้วว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความไม่อยากให้น่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย <ediyorum> ไม่อยากให้น่่งกายตายถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์ก็ใจก็ต้องหยุดความอยากนี้อย่าไปอยากให้น่่งกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้น่างกายไม่ตาย แต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาจากสมาธิใจก็จะไม่มีกําลังหยุดความอย่างเหล่านี้ได้ใจก็จะต้องทุกขทรมานไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกับความตายไปอันนี้คือกุศลบุญกุศลที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเกิดจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เราฟังกันอยู่ขณะนี้ เรามาศึกษาสาเหตุของความทุกข์ใจของเราว่าเกิดจากอะไร <ừ. S 1> ถ้าเราฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเกิดจากความอยากของเรากามาทันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผตภัณฑเมื่อเรามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เราจึงไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายไปเพราะถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วร่างกายตายเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้อันนี้คือปัญญาเบื้องต้นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่อยู่ในระดับการศึกษาเล่าเรียน เอาความรู้ของผู้อื่นเพราะเราไม่มีความรู้เหล่านี้อยู่ในตัวของเราเองเราก็เลยต้องไปพึ่งคนที่มีความรู้ก็คือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาความรู้เหล่านี้มาสอนเราให้เรารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องมาหยุดความอยากของเราให้ได้และการจะหยุดความอยากของเราได้ก็ต้องมี มีกาลังจิตจะต้องมีกำลังถ้ามีแต่ความรู้แต่ไม่มีกำลัง <c oughs> ก็หยุดความอยากไม่ได้ต้องมีความอยากต้องมีความกำลังคือมีมีสมาธิที่เกิดจากการจเจริญสติที่เกิดจากการควบคุมจิตไม่ให้คิดปรุงแต่ใต ง, ใต ง, าางให้จิตนิง่งให้จิตสงบถ้าทําให้จิตนิ่งจิตให้สงบได้จิตก็จะวางเฉยได้หยุดความอยากได้ การที่จะเจริญปัญญานี่ต้องมีสองระดับด้วยกันสามระดับด้วยกันระดับแรกคือเรียนรู้จากผู้อื่นเรียกว่าสุดแตม่มยะ ป, ปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตามยะปัญญาคือเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเอามาทบทวนเอามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเหมือนกับการท่องสูตรคูณตอนต้นเราก็ไปเรียนวิวธีคูณจากครูบาอาจารย์ อันก็สอนว่ า, าให้ไปท่องสูตรคูณเอาไว้เช่นสองคูณสองเป็นสี่สองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณสามเป็นหกให้ท่องเอาไว้ให้จดให้จำไว้เวลาที่จะคิดเลขมันก็จะเวลาคูณคูณอะไรก็จะสามารถคูณได้อย่างรวดเร็วทันต่อทันต่อเวลาทันต่อความต้องการถ้าไม่ไปฝึกไปซ้อ ม, อมหาดคูณท่องสูตรคูณไว้ พอถึงเวลาจะต้องคูณอะไรนี่นึกไม่ออกนี่ก็เรียกว่าจินตามัจยปัญญาเอาธรรมะที่เราได้เรียนมามาคอยทบทวนมาคอยสอนใจเตือนใจว่าความทุกข์ใจเราเกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไปเราก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตาย เพราะว่ามันห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายอยากไปก็ไม่เกิดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยากให้นั่งกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่งกายมันก็ยังแก่เจ็บตายอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่อยากให้นั่งกายแก่เจ็บตายนั่งกายก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่ต่างกันตรงที่ถ้าไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะทาให้ใจไม่ทุกข์ ก็ต้องมีกำลังหยุดความอยากก็ต้องไปภาวนาไปเจริญสตินั่งสมาธิสอนใจให้ทำใจให้นิ่งให้สงบหยุดความคิดให้ใจเป็นอุเบกขาขึ้นมาพอใจมีอุเบกขาวางเฉยได้แล้วทีนี้เวลาร่างกายเจ็บใจก็เฉยๆใจไม่ทุกข์ใจกลับมีความสุขเวลาใจอยู่เฉยๆนี่ใจจะมีความสุขเวลาอยู่ในอุเบกขานี่มีความสุข เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงด้วยนัตสันติพลังสุขขัม mm. ผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้จะไม่ค่อยทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะ mm. ไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกาย mm. สามารถที่จะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่สะทกสะทานใดอย่างใด พอใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอใจมีปัญญารู้วิธีแยกใจออกจากร่างกายก็คือแยกด้วยการปล่อยวางวางเฉยอย่าไปอยากแยกแยกด้วยการหยุดความอยากปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะแก่ก็ต้องปล่อยให้เขาแก่ไปเขาจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้เขาเจ็บไป เขาจะตายก็ต้องปล่อยให้เขาตายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทำอะไรกับร่างกายถ้ารักษาโาครคไขยไข้เจ็บได้ก็รักษาไปถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันไปถ้าทำให้ถ้าทาให้ไม่ตายได้ก็ทำไปก่อนถ้ารักษารษา่างกายได้ไม่ให้ร่างกายตายก็รักษาไปแต่ถ้ามันถึงจุดที่ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องปล่อย ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยถ้าห้ามไม่ให้มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาห้ามไม่ได้เวลามันเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไปถ้าห้ามความตายไม่ได้หยุดความตายไม่ได้ป้องกันความตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันตายไปแล้วใจจะไม่ทุกข์อันนี้คือกุศลคือความรู้ความฉลาดคือปัญญาสามระดับด้วยกัน สุตมยปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาตอนนี้เรามีสุตะเราได้ยินได้ฟังธทรำรอยู่เรื่อยๆรู้สาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากต่างๆตอนที่สองเราก็เอามาทบทวนมาเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์กับอะไรก็หยุดความอยากเสียอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่าไปอยากให้คนนั้นคนนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อย่าไปอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่สามารถที่ไปสั่งไปควบคุมบังคับเขาได้ถ้าไปอยากแล้วไม่เป็นไปตามใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองอันนี้ต้องมาคอยเตือนใจสอนใจฝึกซ้อมทำการบ้านไปเรื่อยๆแล้วเวลาไปเจอของจริงก็จะได้ทำใจได้ถ้ายังไปเจอของจริงแล้วยังทำใจไม่ได้ยังหยุดความทุกข์ไม่ได้ ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องมาหัดปฏิบัติสมาธิกันอย่างที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะมีแบ่งเป็นสองเวลาด้วยกันสองเบื้องต้นสามสิบนาทีแรกเราก็จะมาฟังเทศตังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันแล้วสามสิบนาทีต่อมาเราก็จะมาฝึกสตินั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้นิ่งให้ใจสงบ จะได้มีความสุขแล้วก็จะมีโอเบขาที่จะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้หรือปล่อยวางอะไรก็ได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดถ้าเรามีโอเบขาแล้วเรามีปัญญาสอนใจให้เรารู้ว่าถ้าเราไปอยากกับสิ่งใดในโลกนี้เราจะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วเพราะเราจะไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เราอยากนั้นเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไป นี่คือกุศลที่เราจะต้องมาฝึกมาปฏิบัติกันทำบุญด้วยการทำทานรักษะทำทานแล้วก็อุทิศบุญอนุโมทนาบุญช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนปัญญาคือกุศลก็คือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำอาไปปฏิบัติไปเจร เบื้องต้นก็ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสุตตามะยะปัญญาเมื่อได้ความรู้จากสุตตามยะปัญญาแล้วก็รักษาความรู้นี้ไว้ให้อยู่ต่อไปด้วยการไปเจริญจินตามะยะปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วถ้าอยากจะเอาปัญญานี้มาหยุดความทุกข์ถ้ายังหยุดความทุกข์ไม่ได้ก็แสดงว่าใจเรายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิกัน ทำใจให้นิ่งให้สงบเมอใจนิ่งใจสงบแล้วเราก็จะมีภาวนามย์ปัญญาภาวนามย์ปัญญานี่แหละเป็นปัญญาที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่พร้อมที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้อย่างเด็ดขาดถ้าไม่มีภาวนามย์ปัญญานี้ดับความทุกข์ไม่ได้สุดตามมย์ปัญญาตามลําพังหยุดไม่ได้ อินตาไมยะปัญญาดับไม่ได้ต้องเป็นภาวนามยะปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาจึงจะสามารถทําให้จิตวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ mm hmm. และการจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดจากการมีความเพียร น, นี่ mm hmm. มีความเพียรมามันจเจริญความเพียรสี่ลักษณะเกิด mm hmm. สร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาบุญกุศลที่ได้สร้างไว้แล้วให้มีอยู่ต่อไปสามให้มาลักบาปและอกุศลทั้งหลายบาปก็คืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดแล้วก็การประพฤติผิดในการมแล้วก็การพูดปด แล้วก็อบายามุข ค, ค, คือการเดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนความเกลียดค้านและการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสต์นี่คือบาปหรือกอกุศลที่เราจะต้องละอย่าไปทํามันบาปแล้วบาปก็คือบาปนอกจากบาปแล้วก็อกุศลอกุศลก็คือกิเลสนี่ความโลภความโกรธความหลง เราก็ต้องพยายามละความโลภความโกรธความหลงอย่าไปอยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีให้มีแต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือปัจจัยสี่เอามาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมีพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็เรียกว่าโลภน้อยน้อยเกินไปก็เรียกว่าตนีก็ไม่ถูกเองต้องใช้ให้มันพอดีพอมาะ ต่อการเลี้ยงดูร่างกายถ้าอยากได้ของแพงๆของหรูหราเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นความโลภเหมือนกันแล้วก็มาละความโกรธเวลาโกรธใครก็ให้มีใช้ความเมตตาดับความโกรธให้อภัยให้อภัยทานแล้วใจเราก็จะได้สงบใจเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย ส่วอกุศลก็คือความหลงก็จะมันสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาไม่ว่าจะเป็นรูปเสียง ก, กลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ดีาลาภยศสรรเสริญก็ดีร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดี ล้วนเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นต้องปล่อยวางอย่างเดียวถึงจะไม่ทุกข์ น, นี่คืออกุศลบาปเกอาอกุศลให้ละเสียถ้าเรายังทำบาปอยู่ก็ให้พยายามละไปถ้ายังฆ่าสัตว์อยู่ก็พยายามเลิกฆ่าสัตว์ถ้ายังรักขโมยอยู่ชอโกองอยู่ก็ให้เลิกเสียถ้ายังโกหกหลอกลวงอยู่ก็ให้เลิกเสียถ้าประพฤติผิดในการมก็ให้เลิกเสียถ้าเดินสุรายาเมาก็ให้เลิกเสีย เรื่อการพนันก็ให้เลิกเสียเที่ยวกลางคืนก็ให้เลิกเสียมีความเกลียดแค้นก็ให้เลิกเสียเปลี่ยนเอาความเกลียดแค้นมาเป็นความขยันเพราะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องอาศัยความขยันหมัน่นเพียรทนั้นแล้วก็อย่าไปคบกับคนที่ชอบอบายมุขเพราะถ้าไปคบกับเขาแล้วเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบ เล่นการพานันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพานันถ้าเช้าเข้าถ้าเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาชอบความเกลียดค้างเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้ า, างการคบคนแบบนี้ไม่มีความเจริญแต่อย่างใดมีแต่ความเสืออเ่อม เ, าาเมื่อเราสามารถละบาปอกุศลได้แล้วเราก็เพียรพยายามป้องกันไม่ให้กลับไปให้ป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีก ถ้าเราเลิกฆ่าสัตว์ได้แล้วก็อย่าให้มันกลับมาอีกเลิกเลิกรักทรัพย์ได้แล้วก็อย่าให้มันกลับมาอีกเลิกเสพสุรายามเมาได้แล้วก็อย่าให้มันกลับมาอีกออันนี้คือเรื่องของความเพียรสี่ลักษณะด้วยกันที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นมาทํากันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะวันพระวันพระนี่แหละคือวันทําความเพียรทั้งสี่ประการนี้เพียรสร้างบุญสร้างกุศล ให้เกิดขึ้นที่ยังไม่มีเพียนรนักษาบุญกุศลที่เรามีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปเพียรลาะ บ, บาปอกุศลที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปและเพียรป้องกันบาปอกุศลที่เราได้ละแล้วไม่ให้หวนกลับคืนขึ้นมาอีกถ้าเราสามารถทําความเพียรทั้งสี่ลักษณะนี้ได้อย่างสมบูรณ์การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน อันนี้ก็คือเรื่องของการทำกรรมเพลในวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับการฟังธรรมในลำต่บต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดอุเบกขาเพราะธรรมาน้สาคัญมากถ้ามีแต่ปัญญาแต่ไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่สามารถ ทำให้ความทุกข์ดับไปได้โดยลาพังปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนมีมีจิตที่เป็นอุบเบกขาที่สามารถหยุดตัณหาความอยากได้ปัญญาที่เป้าว่าตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากแต่ถ้าแต่ถ้าจิตไม่มีกําลังก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้ การที่จะทำให้จิตมีกำลังเพอหยุดความอยากได้ก็ต้องทำจิตให้เข้าสมาธิให้ได้เพราะถ้าจิตเข้าสมาธิได้แสดงว่าจิตมีสติมีกำลังพอที่จะควบคุมความอยากได้แล้วพอพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกเกิดจากความอยากก็สามารถหยุดความอยากได้ทันทีเลยดังนั้นตอนนี้เราจะมาฝึกสตินั่งสมาธิกันเพื่อหยุดความอยากต่างๆเพื่อทาใจให้นิ่งให้สงบ แล้วเวลาใจนิ่งใจสงบก็จะเกิดความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงล้วจะทำให้เราไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขจากอะไรต่อไปเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นครับเป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดปราศจากความทุกข์เลยแต่การที่จะทำให้จิตสงบได้นี้เวลานั่งสมาธิต้องมีสติ คอยกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทําทให้ใจนิ่งให้ใจสงบกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันแต่เราไม่ต้องทําทั้งสี่สิบชนิดเราเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราถนัดตามที่เราชอบหรือตามที่เราได้ไปเรียนรู้ไปศึกษามาจากครูบาอาจารย์ต่างๆบางท่านก็เรียนรู้วิธีเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธเราเลือกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ั้งท่านก็ไปเรียนรู้วิธีนั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออก <ắng. S 1> ออ ก, ก็ดูได้สองที่ดูที่ปลายจมูกแล้วก็ดูที่หน้าท้อง <ắng. S 1> ถ้าดูที่หน้าท้องก็จะเห็นว่ามันยุบมันพองก็เป็นที่มาของคำว่ายุบหนอพองหนอเวลาหายใจเข้าท้องก็พองขึ้นมาเวลาหายใจออกท้องก็ยุบเข้าไป แต่ถ้าดูที่ปลายจมูกก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเข้ารู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกรู้ว่าลมสั้นลมยาวรู้ว่าลมหยาบหรือลมละเอียดหรือว่ารู้ว่าลมหายไปก็ให้รู้อยู่ที่เดิมไม่ต้องตื่นเต้นตกใจให้รู้ว่าลมละเอียดจงกระทั่งไม่สามารถจับจับได้แต่ไม่แต่ลมยังไม่ยังมีอยู่ร่างกายยังไม่ตายรับประกันไม่มีวันตายจากการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออก ให้ดูเฉยๆต่อไปที่จุดเดิมที่ปลายจมูกแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเน่งสงบเข้าสู่สมาธิได้ต่อไปขณะที่นั่งก็อย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาจะมีเสียงอะไรเช่นตอนนี้มีเสียงรอบข้างเรา<ม>ก็อย่าไปสนใจหรือจะมีแมงวีมีอะไรต่างๆที่จะมาคอยรบกวนสมาธิเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปให้กลับมาอยู่ที่กรรมาฐานที่เราใช้เป็นเครื่องถูกใจไว้ ถ้าเราดูลมไม่ได้พูโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดบทแผ่เมตตาก็ได้สัพเพสตตาหรือสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภักวาไปสวดไปหลายๆรอบสวดไปจนทั้งใจเพลินกับการสวดจนลืมเรื่องอะไรไปหมดอยู่กับการสวดได้อย่างมีความสุขแล้วถ้ารู้สึกอยากจะหยุดก็ลองหยุดดูพอบางทีใจสงบแล้วก็จะไม่อยากจะสวดก็หยุดสวดได้ ข้อสําคัญอย่าไปหลงกับอะไรที่ปรากฏมาให้รับรู้จะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามอย่าไปตามรูก้<ม>กลับมาที่กรรมฐานของเราตลอดเวลาต้องอาศัยกรรมฐานเป็นเพื่อเครื่องผูกใจเราใจเราถึงจะนิ่งใจเราถึงจะสงบได้ถ้าทิ้งกรรมฐานเมื่อไหร่ใจก็จะดิ้นขึ้นมา ท, าทันทีใจก็จะฟุ้งขึ้นมาทันทีออต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันไป อนก็าจะหมดเวลาประมาณสามสิบนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดลงก่อนที่จะเลิ่นนั่งขอให้เราสังเกตดูว่าถ้าวันนี้เรานั่งแล้วมันสงบดีขอให้สังเกตดูวิธีการนั่งของวันนี้ว่านั่งอย่างไรจึงทำให้จิตสงบ แล้วทราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีเดินต่อไปจิตใก็จะสงบได้อย่าไปอยากให้มันสงบเพาะความอยากให้มันสงบมันจะไม่ทําให้ใจสงบต้องวิธีที่ทําใจให้สงบคือสติดีอย่างต่อเ น, นื่องไม่ทั้งไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นอย่างนี้ถ้านั่งวันนี้แล้วจิตยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกําลังน้อยก็ควรไปฝึกสติให้มากขึ้นระหว่างวัน พยายามรเลึกถึงพุทโธพุดโธอยู่เรื่อยๆหรื อ, รอพยายามผูกใจไว้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวันเท่าเท่าที่จะทำได้แล้วเาหน้าเวลานั่งสมาธิใจก็จสงบได้ต่อไป น, นี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะข า, าวาเรวาหาปุราปะววสุเลนติสคะลัง เอวะนิวาจโตทินังเตตางนังอุปการปติิทิตังปะฏิตังสุมหังสิตปะเมวะสันิสัตว์สาเพปุรนตุสังขปา สันตุปนักสุยาทานะนิสุติสยาทานสัพพิติโยวิวัันตสัพพโลกวินสตมตภววันตาโสขทาโภอภิวนสีลิิจังวุฒาปจายโน จัตตารธะวธรรมวันตทอายุวโนโอสุขังภาลางาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดเพราะถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวกตอบต้องขอใครด้วย วันนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง facebook พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสิบหกท่านทาง youtube พระอาจารย์สุชาติสอง้อยเก้าสิบหกท่านทาง youtube ดรวีห้าสิบสองท่าน ทางวิทยุออนไลน์6ท่านทางขับเฮาส์7ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ96ท่านรวมทั้งหมด773ท่านครับอันนี้ยากเยอมเรียนยงถามไหมทางเข้ามาเอามาอ า, อามันก็โฟนไปพูดใกล้ๆปากหน่อย กาบเรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับกับผมมีคําถามกับถามพระอาจารย์ถามข้อนะครับคําถามแรกครับคําว่าจิตรวมจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเป็นลักษณะเดียวกันไหมครับหรือมีความแตกต่างกันครับอันเดียวกันความหมายอันเดียวกันอันเดียกอีกคําถามที่สองนะครับในการปฏิบัติเราจะได้ยินคําว่าจิตเสื่อม ผมอยากถามคำว่าจิตเสื่อมเสื่อมอย่างไรครับทำไมมันถึงเสื่อมแล้วทำยังไงมันถึงจะไม่เสื่อมครับออสมาธิไงเวลาจิตเสื่อมก็คืิสมาธิเสื่อมก็ต้องพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างที่วันนี้บอกว่าพอเราได้สร้างสมาธิขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรักษามันไว้ด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ไม่เลิกไม่หยุดถ้าหยุดนั่งสมาธิไปสักพักเดียวสมาธิก็จะเสื่อมได้ คำถามสุดท้ายครับพ่จะบางครั้งเวลาผมทำสมาธิเวลาบริกรรมพุทโธหรืออะไรครับบางครั้งผมชอบที่ว่าเอาน้ำมันเย็ยนหรื อ, อยามอหม่องเหลียทาที่ปลายจมูกแลวหน้าท้องแล้วก็จับคาความที่เย็ยนที่ปลายจมูกกับท้องแล้วก็บริกรรมครับว่าพุทโธไปอะ่ะแบบนี้ผิดไหมครับไม่ถูกหรอกเพราะว่าเราไม่ต้องการอาศัยอะไรเราต้องการอาศัยสติอย่างเดียว เพราะว่าถ้าไปอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวเวลานั่งสมาธิถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะนั่งไม่ได้ดังน mm ั hmm. ้นให้อาศัยสติอย่างเดียว <Okay. S 2> อย่าไปอาศัยของภายนอกเป็น mm hmm. บางท่านสอนให้ดื่มน้ําเย็นๆเรา mm hmm. ใจจะเย็นตามถ้าเกิดวันไหนไม่มีน้ําเย็นดื่มจะทําังไงใช่ไหม mm hmm. ไม่จําเป็นจะต้องใช้ของภายนอกให้มีสติให้มีกําลังมากๆไวเท่านั้นน่ะฝึกสติให้เยอะ สตินี้จะทำให้ใจเรานิ่งได้ครับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับอเข้ามาต่อข้ามาต่อเชิญส่งไปข้างหลังก็ได้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอ า, าจารย์ค่ะโยมมีคำถามว่าหากเราตั้งใจทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาการทำสมาถะ สมร tha ของโยมโยมถนัดในการสวดมนต์เจ้าค่ะทีนี้โยมเข้าใจว่าการสวดมนต์เนี่ยคงจะเข้าสมาธิไม่ได้ลึกขนาดอัปปนาสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องดังนั้นโยมช่วยบรรความฟุ้งซ่านให้ได้ช่วยบรรเทาความฟุง้งซ่านค่ะพอไม่มีความฟุ้งซ่านแล้วก็ดูลมต่อค่ะหรือเราใช้เป็นการบริกรรมได้ไหมเจ้าค่ะฟุตโตก็ได้ดูลมก็ได้หากเราเพียน ปฏิบัติทานศีลภาวนาทั้งสมาธและวิปัสสนาทำไปเรื่อยๆเราจะเข้าอัปปนาสมาธิได้ในวันดึงใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้แต่ตัวสาคัญที่ทำให้เราเข้าอัปปนาสมาธิก็คือสติเราต้องพยายามเจริญสติทั้งวันเปิดตาขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ถ้าเรามีสติเยอะเวลานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าอัปปนาสมาธิได้แล้ววันหนึ่งถ้าเราเข้าอัปปนาสมาธิได้เราจะรู้เองใช่ไหมเจ้าค่ะรู้ว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอย่างเวลาเราสวดมน์นะเจ้าค่ะเวลามีปีติจะจําความรู้สึกได้แต่ปีติคือปีติไม่ใช่ไม่ใช่การลงสมาธิแบบลึกใช่ไหมเจ้าคะ่ะยังไม่ลึกพอเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็น<ะ>ความสุขชั่วคราวเป็นทางผ่าน อนจะเข้าออปนาสมาธิได้บางทีก็ต้องผ่านปิติไปก่อนแต่ปิติก็เป็นกําลังที่ทําให้เรามีฉันทามีมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มันลึกเข้าไปกว่า น, นี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์สาธุจ้าเพราะสํางานคือสติพยายามฝึกสติให้มากๆฝึกทั้งวันเลยถ้าทําได้เจ้าค่ะอาจารย์กลับนํัลการเจ้าค่ะมีคําถาม ถ้าคุณอริยาลูกนั่งภาวนาดูลมหายใจดูความคิดดูกายตนมากกว่าเดินจงกรมแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะคือถ้าจะทำสมาธิท้าจะรักสติควรให้จะดูอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปดูแบบจับใยนึกอยากจะดูไอ้นั่นก็ดูนึกอยากจะดูไอ้นี้ก็ดูถ้าดูร่างกายก็ดูร่างกายอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุทโธก็พยายามพุทโธอย่างเดียว ตอนนี้อย่าไปดูจิตเพราะจิตเราไม่มละเอียดแล้วเรากำลังเราจะดูมันไม่ไม่พอดูก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ทำให้จิตนิ่งการที่จะทำให้จิตนิ่งต้องดูร่างกายหรือบริกรรมพุทโธไปเจ้าค่ะถ้าออกจากสมาธิแล้วจิตเบาสบายไม่มีความรู้สึกอะไรแสดงว่าการนั่งสมาธิจิตรวมแล้วเกิดอุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็สังเกตดูว่าเวลาใครเขาพูดอะไรเราไม่ได้ดีใจเสียใจก็แสดงว่าเรามีอุเบกขาแต่ถ้าใครเขาพูดอะไรเรายังเต้นอยู่ใครเขาพูดอะไรไม่ดีก็เต้นขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่มีอุเบกขาอุเบกขาคือวางเฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยไม่เดือดร้อนไม่ดีใจไม่เสียใจเจ้าค่ะจากคุณสุราง นมัสการพระอาจารย์ค่ะมีรุ่นน้องครอบครัวมีปัญหาเลยกกับสามีต้องดูแลลูกเองเขาค่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จก็ช่วยปลอบใจหลายวิธีให้เห็นแก่ลูกและพ่อแม่แต่เขาก็ยังบอกว่าคราวหน้าจะทำให้สำเร็จอยากปล่อยวางแต่ก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้มีทำอะไรจะช่วยแนะนำให้เขาได้บ้างคะ ก็ช่วยแล้วเนี่ถ้าช่วยได้ก็คงก็ช่วยไปแล้ว mm hmm. ก็คนเราถ้ามันอยากจะทำอะไรอย่างนี้ mm hmm. มากๆ mm hmm. ก็ไม่มีใครห้ามได้ mm hmm. เป็นเรื่องของบุญกรรม mm hmm. ที่ติดมากับตัวคนที่ฆ่าตัวตายนี้มักจะเคยฆ่าตัวตายมาก่อนในชาติก่อนมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอเวลาเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คิดแก้ด้วยการฆ่าตัวตาย ท่านถึงบอกว่าถ้าค่าตัวตายแล้วก็ต้องกลับมาค่าตัวตายอีกห0าร้อยชาติเพราะมันจะเป็นนิสัยติดมากับใจต้องใช้ธรรมะแกก็คือข่มใจทำใจให้นิ่งให้สงบตรวงวางว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องพัดภากจากกันไม่ช้าก็เร็วอย่าไปอยากให้มันไม่มีการพัดภากึงใดที่ไปแล้วก็อย่าไปอยากให้เขากลับมาปล่อยให้เขาไป ตรงนี้มีคนต้องเยอะแยะมีของมยองเยอะแยะที่เราหาใหม่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องไปติดเยอะๆติดกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เจ้าค่ะจากทางยูทูบคุณสุกัญญากราบในพิธีการถามหลวงพ่อเจ้าค่ะขณะที่นั่งดูกายที่นั่งและบริการพุทโธก็นิ่งอยู่ตลอดจนเกิดเวทนาขึ้นจิตวิ่งไปจับที่เวทนาแต่ไม่จิตติ้นมากจะทําจิตอย่างไรให้ข้ามเวทนานี้ได้เจ้าค่ะเนี่ยดึงจิตไว้ให้อยู่กับกรรมฐานที่เรากําลังใช้อยู่ถ้าเราใช้พุทโธก็พุทโธต่อไป อย่าส่งให้จิตไปหาเวทนาเพราะถ้าไปหาเวทนาแล้วมันจะเกิดความอยากให้มันหายแล้ววันไม่หายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะทนกับทุกข์กับเวทนาไม่ได้แต่ทนกับทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ได้เ้นพยายามอย่าทาให้เกิดทุกข์ที่เกิดจากความอยากโดยการไม่ส่งใจไปหาเวทนาให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธแบบเวลาเกิด กิดความเจ็บนี้ใช้คําบริกรรมนี้จะดีกว่าการใช้ดูโลมาให้ใจเขาหรือใช้การสวดไปก็ได้สวดอิติปิโสออไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเวทนาเดี๋ยวใจเพลิงกับการสวดแล้วมันก็อยู่กับอยู่กับทุกขเวทนาได้เช้ค่ะจาก YouTube พระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวเองกัดฟันตลอดนี่ถือว่าปกติหรือผมเกรงครับ เป็นเพราะว่าสติเรายังมีกําลังไม่มากพอถ้ามีกําลังมากพอนั่งกายจะต้องนั่งเนื่งเฉยเฉยไม่มีอาการอะไรทั้งสิน้นส้ายยังไม่มีคําถามเขมา้ามาเจ้าค่ะยก็ลองสวดมนต์ไปก่อนถ้ามันกัดฟันก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆให้จิตมีสติมากขึ้นให้จิตสงบมากขึ้นแลอาการกัดฟันมันก็จะหายไปแล้วมาดูลมต่อก็ได้หรือจะใช้คำเล่ยกรรมต่อก็ได้ การสวดมนต์นี้ไว้สําหรับคนที่มีจิตฟุ้งซ่านมีสติน้อยนั่งแล้วดูลมไม่ได้นั่งแล้วพุทโทไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปสักพักหนึ่งอาจจะต้องสวดครึ่งชั่วโมงหรืออะไรก็สวดไปสวดไปันานแล้วใจก็จะเบาจะเย็นแล้วอาการฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงสติก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะทําให้มีสติดูลมต่อไปได้ บริกรรมพุทธโธได้พระอาจารย์คะค่ะอย่างกําลังอุเบกขาเนี่ยอย่างสมมติเราชาร์จแบตโทรศัพท์ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วสมมติถ้าเกิดเรานั่งสมาธิเทียบกับการชาร์จแบตได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กลังอุเบกขาจะได้หนึ่งร้ยเปอร์เ็นไหมคะหรือไม่เกี่ยว ก, ก็ตอนออกมาก็ร้อยเอร์นตค่ะแล้วมันก็ค่อยๆลดไปค่ะพร<อ>กิเลสมันเริ่มมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นอุเบกขาก็จากร้อยก็เหลือเก้าสิบเหลือแปดสิบ พอมันต่ากว่าห้าสิบแล้วก็ต้องกลับเข้าไปเข้าไปในสมาธิไปชาติหใหม่อยรอต้องต้องเข้ า, ขาสมาธิอยู่เรื่อยๆเอาสมาธิใหม่ๆ ใ, ใจเย็นใจสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนกับอะไรแต่สักพักหนึ่งใจก็เริ่มร้อข น, รกก น, นขึ้นมาเริ่มวิตกกังวลขึ้นมาแสดงว่าอุเบกขาน่นลงแนละ้ะก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิสมาธินี้ต้องสลับกันเข้าออกอยู่เรื่อยๆ พอรู้สึกว่าใจเริ่มร้อนแลใจเริ่มไม่ไม่เย็นแล้วก็กลับเข้าสมาธิใหม่ evet. เวลาที่ใจเย็นแล้วก็มาพิจารณาสิ่งที่ใจไม่ชอบพิจารณาได้เป็ไม่ชอบพิจารณาความตายก็สอนมาให้มันพิจารณาความตายได้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องมีการพัดภากจากการเป็นธรรมดา evet. รล่วงพ้นความพัดภากจากกันไปไม่ได้ คิดบ่อยๆคิดเรื่อยๆเพื่อให้ใจมันยอมรับให้ได้พอยอมแล้วต่อไปเวลาสูญเสียใครมันจะไม่รู้สึกเศร้าสศกเสียใจต้องพยายามทำแล้วถ้าพิจารณาไปสักพักเรารู้สึกว่าใจมันเริ่มฟุ้งแล้วเริ่มไปคิดเรื่องอื่นนะเริ่มไปห่วงคะนั้นเริ่มไปวตกกังวลคนนี้แล้วก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าสมาธิมาทําใจให้เย็นทําใจให้นิ่งแล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาใหม่จนกว่าเราจะปล่อยได้ การที่เราจะปร่งได้ว่ า, าเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่ผู้เจ้าพูดเรื่องการพัากจากกันก็เป็นเรื่องธรรมดาห้ามมันไม่ได้ใจพร้อมที่จะรับมันได้พร้อมที่จะไม่ทุกข์กับมันได้เราก็ปล่อยวางได้ท่านต่อไปก็ลองไปทําข้อสอบดูลองไปอยู่คนเดียวดูเหมือนกับเราพากจากคนนั้นคนนี้ไปชั่วคราวเราธรรมดาเราต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้ พอเราไปอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่าเหงาว้าเวีเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วเราก็ไปทดสอบดู ว, ว่าเราไปอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ต้องมีใครมาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราได้หรือเปล่าสามารถอาศัยอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาให้ความสุขกับเราได้หรือเปล่าอันนี้เป็นการทําข้อสอบถ้าอยู่ได้คนเดียวต่อไปเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะเป็นใครจะตาย เราไม่ไม่สนใจไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขานะเราสามารถมีความสุขอยู่ตามกำแพงได้เช้าค่ะคำถามจากทางเฟ e บุ๊กกระดาบนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติไหมคะแล้วเราใช้ธรรมะบาบัดจะช่วยได้ไหมคะไม่หรอกโรคซึมเศร้าเกิดจากความอยากของเรา อย่างได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เศร้าเ ส, <Heaven> สียใจพอไม่ได้บ่อยๆเขาก็เลยซึมเศร้าไปเราต้องหยุดความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นให้ฝึกสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิด mm hmm. แล้วความเศร้าวความอ า, มาการซึมเศร้าก็จะหายไปต้องฝึกสติด้วยนั่งสมาธิด้วยให้จิตนิ่งสงบถ้าจิตนิ่งสงบแล้วความซึมเศร้า ก, ก็จะหายไปชั่วคราว พ อ, อ, อมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจก็อย่าไปอยากกับอะไรความอยากนี่ทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจถ้าไม่อยากเราเร า, เราจะไม่เศร้าเราจะไม่เสียใจเราจะอยู่คนเดียวได้เราเราจะมีความสุขมีความเบิกบานนน้องต้องใช้สมาธิและใช้ปัญญาช่วยกันค่ะจากทางเฟซบุ๊กกราบนรรมัสการเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วน้ำลายไหล จิตอยู่ที่น้ำลายชนต้องกลืนน้ำลายจะทําอย่างไรดีเจ้าค้าที่จะไม่หยุดตรงนั้นเ อ, อ่ออย่าไปสนใจเรื่องน้ำลายให้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปส่วนมนก็สวดมนไปไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำลายมันไม่ไหลหรอกเราไปกังวลกับมันเองมันก็เลยไหลถ้ามันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวเราเลิกสมาธิเราก็มาเช็ดมาล้างได้แต่อย่าไปสนใจกับ น, น้ำลายถ้าไม่ยิ่งไม่สนใจมันยิ่งไหลให่ ยิ่งไปห้ามันยิ่งไหลใหญ่งั้นอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับการสวดมนต์ไปหรืออยู่กับการดูลมไปหรือวิธีไหนก็ได้ที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจให้อยู่ให้เข้าสู่ความสงบก็ใช้ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ไม่มีข้อจํำกัดบังคับว่าจะต้องใช้วิธีนั้นวิธีนี้เพียงอย่างเดียวกรรมฐานมีอิว่สี่สิชนิดด้วยกันสามารถเลือกใช้ตามจริตตามความพอใจได้บางคนก็ใช้อาการสาสิบสองก็ได้ ต้องชื่อผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยต้องไปเรื่อยๆมันก็เพลินอยู่กับการท่องแล้วมันก็ลืมเรื่องน้ำลายไปเช่ค่ะจากทางเฟซบุ๊กกลับในมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมมีปัญหาจะกล่าวถาม ปกติแล้วผมจะเห็นผู้รู้ผู้รู้ก็จะดับไปผมจะเห็นความโกรธความโกรธก็จะดับไปผมมีความทุกข์อยู่หนึ่งอย่างเป็นมาสี่ห้าเดือนไม่หายแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมขับรถอยู่ติดผู้รู้จิตผู้รู้ไปเห็นความทุกข์และเกิดปัญญาขึ้นความทุกข์นั้นก็ดับไป ความทุกข์ดับไปสี่ห้าเดือนเพิ่งจะคลายตัวมีความทุกข์มาเมื่อไม่นานนี้ตอนนี้อะไรมากระทบจิตก็เป็นอัตโนมัติไม่ค่อยทุกข์ทุกน้อยมากครับแต่มองไม่เห็นจิตผู้โกรธและจิตผู้รู้แล้วมีแต่ความรู้สึกว่าโกรธและความรู้สึกว่ารู้เท่านั้น แต่มองไม่เห็นผู้รู้และอารมณ์โกรธขอพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับให้เห็นตัวที่ทำให้เราโกรธรัวที่ทำให้เราโกรธก็คือความอยากอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธ ถ, ถ้าไม่อยากจะโกรธให้ไม่อยากให้ความโกรธเกิดขึ้นมาก็อย่าไปอยากปล่อยเขาไปเขาจะทาอะไรให้เราหรือไม่เขาไม่เป็นไรเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธ นี่คือวิธีแก้ปัญหาของความโกรธความโกรธเกิดจากความอยากพอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมาเช้ค่ะจาก youtube พระอาจารย์ครับถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์สมาธิสามารถเจริญสติปัฏฐานสี่ในกิจวัตรประจําวันแทนได้ไหมครับก็ต้องใช้สติทุกทุกเวลาทุ ก, ท, กทุกกรณี ให้มีสติควบคุมใจอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ำํำก็ให้อยู่กับการอาบน้ํากําลังล้างหน้าแปงรงฟันก็อยู่กับการล้างหน้าแปงรงฟันกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าให้ใจทิ้งร่างกายให้ผูกไว้กับร่างกายตลอดทั้งวันอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติค่ะ จกคุณทีคัดนาคำถาม การที่เราเจ็บป่วยบ่อยๆแต่ก็หาหมอรักษาตามอาการไม่ค่อยยินดียินร้ายเริ่มเห็นเป็นธรรมดาเกิดดับเป็นธรรมดาก็ยังสามารถปฏิบัติได้เป็นปกติแบบนี้คืออุเบกขาถามว่าอุเบกขานี้ยังไงต้องมีความเพียรทําตลอดเวลาถึงจะยอมหยุดเย็นได้อย่างสบายและถาวรใช่ไหมเจ้าคะน้อง <c oughs> มันมีปัญหาที่หนักแลเบาต่างกัน ตอนนี้เจอปัญหาเบาๆมันก็มันก็ยอมหยุดเย็นได้พอไปเจอปัญหาหนักๆเข้าอย่างคนมาแย่งแฟนไปหรือแย่งสมบัติเราไปดูซิว่ายังยอมหยุดเย็นได้หรือเปล่า<ม>ต้องคอยต้องพิสูจน์ดู<ม>ต้องต้องสามารถปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางลาบยศสรรเสริญปล่อยวางความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายได้ปล่อยวางร่างกายได้อันนี้ถึงจะงจะรู้ว่า เป็นอุเบกขาจรก็ไม่จริงมากหรือไม่มากค่ะจากคุณอังคณาน้อมกราบพระอาจารย์การมีสติในชีวิตประจำวันหมายถึงความรู้สึกตัวในอิริยาบทต่างๆหรือการรู้ลมหายใจถูกต้องไหมคะรู้รู้ในเอิริยาบทต่างอย่าไม่ต้องไปรู้ลมหายใจเข้าออกจะรู้ลมหายใจเฉพาะเวลาเรานั่งเท่านั้นเอง ถ้าเรานั่งเฉยๆเราก็ดูลมหายใจก็แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวใทางร่างกายก็ดูการเคลื่อนไหวไปเจ้าค่จากคุณศักชัยผมมีอาการเจ็บป่วยจิตผมการเจ็บป่วยจนเกิดอาการฟุ้งซ่านจะทําอย่างไรดีครับขาดสติไงต้องพยายามฝึกสติให้มากๆเหมือนบริกรรมพุทโธอยู่ด้วยเยพอรู้ว่าฟุง้งซ่านก็เริ่มพุทโธพุทโธไปส่วนริติปิโสไปก็ได้ อ, อาการสามสิบสองไปก็ได้เดี๋ยวอาการ <c oughs> เดี๋ยวอาการุ่ส้สร้นก็จะหายไปเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะไม่มีเดี๋ยวจะปล่อยให้กลับบ้านแล้วนะ <c oughs> มีทาง Youtube เจ้าค่ะพระอาจารย์กลับในมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อนั่งสมาธิ จิตสงบแล้วลมหายใจเข้าออกเบาลงเรื่อยๆจนเหมือนไม่หายใจบางทีรู้สึกตัวแล้วตกใจต้องแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็รู้เฉยๆไปรักษาใจให้อยูอยอย่กับอุเบกขาวางเฉยลมมีก็รู้ว่ามีลมไม่มีก็รู้ว่าไม่ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวจิตมันจะนิ่งนะพอมันนิ่งแล้วมันก็จะเฉยได้ลมมีไม่มีมันก็ไม่สนใจไม่เดือดร้อน หมดแล้วใช่ไหมจ่ะหมดแล้วก็ท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิชพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธอดสาธุ